จริงแล้วการปลูกป่านี่ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งพระเจ้าเคยตรัสว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกป่าบุญของผู้นั้นย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อเช้วันจริงๆก็คลุมไปถึงกิจกรรมสาธารณะด้วยที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในเรื่องการปลูกป่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นวิธีการหลักๆในการแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาที่กําลังประสบอยู่ในปัจจุบันทั่วทั้งโลก จัดว่าอยู่ในขั้นวิกฤตกพคือปรากฏการ์โลกร้อนซึ่งก็แม้จะเป็นจุดเล็กๆบนพื้นโลกนะแต่ว่าก็คงมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาในภาพรวมได้ถ้าเกิดว่าทากันหลายๆจุดปัญหาโลกร้อนนี้เป็นปัญหาที่จัดว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วเพราะว่ามันส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกอย่างทั่วถึง ในหลายลักษณะแล้วก็รวดเร็วมากปรากฏการณ์นึงที่แสดงตัวอย่างเด่นชัดก็คือการที่น้ำแข็งในขั้วโลกทั้งขั้วโลกเหนือขัข้วโลกใต้ละลายเมื่อสัก 4-5 หปีก่อนก็ยังมีการคาดการว่าน้ำแข็งที่อยู่บนขั้วโลกนะซึ่งมันจับหนาเป็นกิโลเมตรแล้วก็มีอาณาเขตกว้างขวางมากขนาดเท่าประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลียนี่มันจะมาเป็นทวีปได้เลยเพราะน้ําแข็งที่จับกันหนานี่มีมาก่อนที่มนุษยชาติจะเกิดมาซะอีกคือเป็นล้านปีอันนี้เขาพิสูจน์ได้จากการสํารวจเอาชั้นน้ําแข็งมาทดสอบดูเมื่อห้าปีที่แล้วเขาประมาณว่ามันจะละลายจนหมดโดยเพราะในช่วงฤดูร้อนคือฤดูร้อนนี่มันจะละลายน้ําแข็งจะละลายจนกระทั่งไม่เหลือภายในปี2100 ก็คืออีก90ปีข้างหน้านั่นคือพยากรณ์เมื่อ5ปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนี่เขาพบว่ามันไม่ใช่90ปีเสียแล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นภายใน5ปีนี้ก็ได้ก็คือ2012เรือจะ2010ด้วยซ้ำมันเร็วมากมันเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าวิทยาการของมนุษย์เราได้ก้าวหน้าขึ้นในช่วงหลังแล้วก็การสำรวจตรวจสอบมันทากันอย่างทั่วถึงก็พบว่า มันน่ากลัวน้ําแข็งละลายก็หมายความว่าระดับน้ําในทะเลก็จะเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพก็จะเดือดร้อนเพราะว่าต่ําบางแห่งในกรุงเทพมันก็ต่ํากว่าระดับน้ํำทะเลอยู่แล้วเช่นแถวห้วยขวางถ้าน้ําเ อ, อ่ยขึ้นมาก็ท่วมแน่นอนปัญหาไม่ใช่แค่น้ําท่วมอย่างเดียวปัญหาก็ยังมีผลกระทบกับปรากฏการณ์ดินฟ้าอากาศด้วยคือถ้ามันไม่รุนแรง เกินไปมันก็ขาดหายไปเลยเช่นเกิดฝนก็เกิดเป็นพายุรุนแรงอย่างพวกทอร์นาโดในทวีปอเมริกาหรือว่าอาจจะรวมถึงไซโคลนนากิสนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของการเกิดปัญหาเรือนกระจกโลกร้อนแล้วก็ในส่วนที่อยู่ลึกไปมันก็ไม่มีน้ำเพราะเดี๋ยวนี้น้าแข็งละลายเร็วเรียกว่าทาน้ำแข็งเ ร, ราเซียมันละลายเร็วก่อน พอถึงฤ ด, ดูร้อนนี่ก็แทบไม่เหลือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แม่น้าที่อาศัยทานน้ำแข็งในเทือเขาคูมาไลคงคาสินทุหรือว่าแม่น้าแยงซีพวกนี้นี่อาศัยทาน้้ำแข็งแถบเทืเขาฮิมาลัยเวลาพอถึงหน้าร้อนมันก็ละลายแม่น้าเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากฝนตกนะไม่เหมือนเจ้าพ ญ, ญาเนี่ยอาศัยฝนเป็นหลักแต่ที่โนนอาศัย น้ำแข็งมันละลายเวลาหน้าร้อนแต่ตอนนี้น้ำแข็งมันเหลือน้อยแล้วในช่วงหน้าร้อนก็เหลือแน้ําที่จะเข้าสู่ระบบของแม่น้ําเหล่านี้มันก็เลยน้อยลงขาดแคลนอีกแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คงเป็นเรื่องของชื้อโรคว่าตอนนี้พอมันอุ่นขึ้นวงจรของสัตว์วงจรของมแมลงที่มันจะเพาะเป็นตัวมันก็เร็วขึ้นพวกยุงก็ดีพวกมแมลงต่างๆก็ดีอาจจะใช้เวลา40วัน 30วันในการเพาะเป็นตัวเดี๋ยวนี้มันก็เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างทั้งหมดนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ไม่ได้เกิดจากปัญหาอื่นมนุษย์เราในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาปริมาณเพิ่มขึ้นถึงสเท่าจาก 2,000 ล้านเป็น 6,000 ล้านพันล้านนี้ถ้าทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อโลกก็สามารถช่วยรักษาโลกไว้ได้แต่6000ล้านนี้ตอนนี้ช่วยกันทาลายโลกกันทีละนิดทีละหน่อยคนละไม้คนละมือ โดยไม่รู้ตัวก็ทำให้โลกเสื่อมงลงระบบนิเวศต่างๆของโลกก็แปรปวนไปกลายเป็นว่าตอนนี้มนุษย์เราทำตัวมันก็เป็นมะเร็งมะเร็งนี่มันเกิดมาเพื่อทำลายโดยแท้และมะเร็งเนี่ยมันเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วมะเร็งเกิดที่ไหนเกิดกับชีวิตใดชีวิตนั้นก็เตรียมตัวตายได้เพราะว่ามันจะแพร่เชื้อไปอย่างรวดเร็วมันไม่ยอมตายแล้วก็มันมีแต่ทาลาย มนุษยเราตอนนี้ทําตัวเหมือนกับเชื้อแม็งแผ่พันธุอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําลายล้างสูงมากงั้นเราคิดดูนี่โลกเนี่ยถ้าไม่มีมนุษย์อยู่นี่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะโลกเนี่ยกลับจะดีขึ้นได้ซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าโลกนี้มีมแมลงบางชนิดสูญพันธุ์เช่นพึ่งสูญพันธุ์ไปนี่เดือดร้อนนะตอนนี้เนี่ยพึ่งมันหายไปเยอะมากในหลายประเทศทั่วโลก เดือดร้อนกันใหญ่เลยเพราะว่าให้พวกพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งพืชในป่ามันไม่ค่อยออกดอกละไม่ค่อยออกดอกก็ไม่มีผลมันก็มีผลกระทบต่อนกต่อสัตว์นานาชนิดเดี๋ยวนี้ในหลายประเทศนี่ต้องใช้วิธีผสมพันธุ์เกสรด้วยมือเพราะว่าพึ่งมันหายไปผสมเกสรด้วยมือเลยนะซึ่งมันก็ทําเท่าพึ่งไม่ได้โลกเรานี่แม้แต่ว่าขาดมด มดศูนย์พันไปหรือพึ่งศูนย์พันไปนี่เดือดร้อนกันหมดแต่คนศูนย์พันไปนี่โล่งไม่เดือดร้อนเลยนะป่านี่ก็เหมือนกันป่าสุโกโตเนี่ยลองสมมติว่าถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยป่าสุโกโตก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกกับจะดีด้วยซ้ำเพราะว่าไฟเอ่ยการตัดไม้ทำลายป่า ก, ก็น้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าตัวมแมลงเช่นพึ่งหรือว่ามดหรือว่าพวกมแมลงปีกทองเนี่ยมันหายไปเนี่ยโอ้ยป่าสุโกโตเดือดร้อนนะ ยังไม่ต้องมองไกลเอามองแค่ป่าแล้วรับตัวเราว่าป่าพึ่งเราหรือว่าเราพึ่งป่าเราในที่หมาถึงมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยจะต้องตื่นตัวในเรื่องปัญหานี้มากขึ้นโดยเฉพาะชาวพุทธเรานะซึ่งมีกิจหรือว่ามีปณิธานที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตับโลกบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนาะยมนุษย์เรา ไม่ได้แยกตัวออกไปจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้เรามีหน้าที่เรามีจิตสำนึกเรามีปณิธานที่จะต้องช่วยรักษาโลกนี้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชั่วุ่นหลังแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสัตว์นานาชนิดฉั้นตอนนี้นี่ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะจะพ้อทุละหรือนิ่งดูดายไม่ได้อันนี้การที่พวกเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่า ปีปีปนึงเราคงปลูกต้นไม้ได้ไม่มากยิ่งถ้ามาปลูกต้นไม้เฉพาะเวลามาที่นี่มันก็ปลูกได้แค่ร้อยต้นอย่างมากแต่ว่าถ้าเราจะช่วยโลกได้เนี่ยหรือว่าบรรเทาปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราต้องกลับมาดูวิธีการใช้ชีวิตของเราการบริโภคของเราด้วยว่ามันจะช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าลดทอนบรรเทาปัญหาอย่างไรบ้างเพราะว่าวิของเราเวลานี้เนี่ย เราบริโภคทรัพยากรเยอเกินไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นพลังงานแล้วก็อาหารต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อการอยู่รอดนะแต่เพื่อความสะดวกสบายเพื่อความสนุกสนานปัญหาโลกนี่มันจะแก้ไม่ได้ถ้าเรายัางติดอยู่ในความสะดวกสบายยกตัวอย่างเช่นการใช้พลาสติกเนี่ยตอนนี้พลาสติกเป็นปัญหาระดับโลก ก่อปัญหาอีกแบบนะไม่ได้เป็นปัญหารูปร้อนพลาสติกเนี่ยแต่มันสร้างปัญหาไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้แม้แต่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่พลาสติกนี่หาได้ง่ายมากปริมาณพลาสติกในมหาสมุทรตอนนี้มันประมาณ3ามเท่าของปลาที่จับได้ทั่วโลกมันโมโหลาาจริงๆพวกปลาโลมาปลาวานตายกันเยอะแยะเพราะไปกินพลาสติกแต่ทําไมมนุษย์เรายังไม่ ย, ยอมลดการใช้พลาสติกเพราะว่ามันสะดวกดีมันสบายดีนะไปไหนก็ไม่ต้องหอบผิวอะไรไปไ ป, ไปมือเปล่าก็ มีพลาสติกแจกซื้อของช็อปปิง้งก็ได้มาแล้ว เ, เราก็ไม่รู้จักเอามารีไซเคิลการใช้พลังงานก็เช่นเดียวกัน mm. เดี๋ยวนี้เราก็สะดวกสบายเคยมีนะเคยไปประเทศอเมริกานเนี่ยบบบมันเป็นช่วงหน้าร้อนเขาก็เปิดแอร์ไว้เปิดแอร์ทั้งบ้านเลยเวลาจอบไปนอกบ้านก็ไม่ปิดนะออกไปเป็นชั่วโมงเลยนะทำไมถึงไม่ปิดเพราะว่าเวลากลับเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะได้เย็นไงมันจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าถ้าปิดแอร์แล้วกลับเข้ามาในบ้านมันร้อนต้องเปิดใหม่ มันร้อนมันไม่สบายมไม่สะดวกคนเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้กันหรือว่าอย่างใ น, น้อยเนยีอย่างเช่นการต้มน้าร้อนเนี่ยการน้ําร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดทิ้งคาไว้ไม่ใช่แทั้งวันนะทั้งคืนด้วยเพื่ออะไรเพื่อว่ามันสบายเนยมันสะดวกตื่นขึ้นมาหรือว่าจะต้องการกินกาแฟกินชาก็กดน้ําร้อนกินได้เลยแทนที่จะเรียกว่าต้องการใช้น้ําร้อนเมื่อไหร่ก็เปิดเอากดเอา หรือว่าวิธีง่ายกว่นั้นคือว่าต้มน้ําร้อนเสร็จแล้วก็เติมใส่ลงในกาที่เก็บความร้อนได้แล้วก็ปิดแล้วก็ดับกาต้มน้ําร้อนก็ไม่ใช้เพราะว่ามันไม่สะดวกต้องเสียเวลาเอาน้ําเติมลงไปในกระติกน้ําร้อนในวันนี้ก็ใช้แบบนี้กันก็นกสังเกต ด, ดูก็เหมือนกันนะมันสบายคือว่าอยากจะได้น้ําร้อนก็กดปุ๊บก็ได้น้ําร้อนกินแต่นี่จะร้อนหน่อยว่าเอออยากจะกินน้ําร้อนก็ค่อยต้มน้ําร้อน ใช้เวลาคอยหน่อยหนาทีสิบนาทีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นพวกที่เรียกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองคอยไม่เป็นรอไม่ได้มันก็เลยช่วยกันทําลายสผลปราโยชน์ทรัพยากรของโลกแต่ถ้าเราเริ่มลดเริ่มปรับความคิดว่าไม่เอาความสะดวกสบายเป็นพระเจ้ารู้จักคอยบ้างหรือหัดใช้แรงของตัวเองบ้างจะไปไหนมาไหนก็แทนที่จะใช้รถหรือขึ้นลิฟต์เอาก็เดินขึ้นบันไดมันไม่สบายเท่ากับขึ้นลิฟต์แต่ว่า มันดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็ทำให้รู้จักคอยรู้จักรอเป็นเวลาจะต้มน้ําร้อนก็อ้าวจะใช้น้ําร้อนก็ค่อยเปิดสวิตช์หรือไม่ก็มีหากระติกน้ําร้อนเอาไว้ต้มน้ําร้อนให้มันเต็มแล้วก็เติมใส่กระติกน้ําร้อนแล้วก็ดับปิดตาตู้น้ำร้อนแค่นี้ก็มีน้ําร้อนกินได้เหมือนกันเรื่องแบบนี้เราไม่ค่อยทํากันเพราะว่าเรายังถือเอาความสะดวกสบายเป็นใหญ่ เราต้องเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วการใช้น้าก็เหมือนกันนะสมัยก่อนเนะี่ยคนเ่าคนแก่คนไทยสมัยก่อนมีน้าเยอะเหลือเฟือแต่ว่าก็ใช้น้าอย่างประหยัดล้างจานเสร็จซักเสื้อผ้าเสร็จก็เอาน้านั่นแนหะเอาไปลดหญ้ า, าไปลดต้นไม้เอาเนยหน่อยคือต้องขนน้ำนะต้องขนน้าต้องแบกน้าไปลดแต่ว่าก็เป็นการใช้ประโยชน์เรียกว่ารีไซเคิลหรือว่ารียูส แต่เดี๋ยวนี้เราขี้เกียจเนล้างจานทักเสื้อผ้าเสร็จก็เทใส่ท่อระบายน้ำแล้วถึงเวลาจะไปลดน้ำต้นไม้ก็ค่อยไปไปเปิดสายเอาไปต่อท่อเอามันสะดวกดีมันไม่เหนื่อยแต่ความคิดแบบนี้แหละคือความคิดที่กันกลางทำให้เราทำตัวเหมือนกับเป็นมะเร็งก็คือช่วยกันทำลายโลกที่เราอาศัยอยู่ธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้เราต้องกลับมาใหม่นะถ้าจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้จะต้องปรับทัศนคติ จะต้องไม่นึกถึงแต่ความสดกสบายแล้วก็ขณะเดียวกันต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่มีด้วยเพราะว่าปัญหาหนึ่งก็คือเราต้องการมีเยอะๆมีมากๆเราไม่พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็ไม่ยินดีด้วยไปซื้อของมาต่อราคามาของ200ต่อมาได้150าแต่พอซื้อกลับมาบ้านหรือว่ามาโรงแรมหรือว่าขึ้นรถทัวร์ พบว่าเคลื่อนซื้อได้ร้อยหนึ่งเศร้าเลยคนไทยถึงเป็นนักช็อปปิ้งนี่จะเจอโลกนี้มากซื้อของมาคนไทยชอบต่อไปพม่าไปอินเดียต่อเหรอสองให้หรือร้อหรือร้อยหนึ่งต้องต่อไม่ต่อไม่ได้แต่พอต่อมาได้แล้วแทนที่จะดีใจกับเสียใจเมื่อรู้ว่าคนอื่นเขาต่อได้ได้มากกว่าซึมนะนั่งรถไกลก็ซึมไปพาไปชมสังเวชสถานก็ไม่ไม่เก็ตเพราะว่ายัางซึมอยู่ ว่าซื้อคนหนึ่งเขาซื้อของได้ถูกกับเราแทนที่จะได้ประโยชน์กับได้ทุกนะนี่เรียกเพ่าอะไรเพราะไม่ยินดีในสิ่งที่ได้ไม่ยินดีสิ่งที่ได้แต่จะให้ดีต้องพอใจในสิ่งที่มี mm hmm. คือถ้าเราพอใจใสิ่งที่มีเนี่ยเราไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าจะซื้อก็ต้องให้ยินดีสิ่งที่ได้มาไม่ใช่มาเสียใจว่าเขาซื้อได้ถูกก่าเรามนุษย์เรานี่หรือคนไทยเราเนี่ยถ้าเราแค่พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ย ความสุขก็มีเยอะละจะทุกน้อยลงแล้วก็ช่วยโลกด้วยเพราะการที่พวกเรานะไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็เลยซื้อโน่นซื้อนี่กันใหญ่ซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่ถึงไม่ได้ใช้แค่เห็นว่าเรามีก็พอใจแต่พอมีไปนานๆมันเบื่อมันอยากได้ใหม่แล้วก็ไปหาของให ม, ม่มาอีกเป็นเช่นนี้แหละนะการที่เราช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้เนี่ยนะถ้าทํา2อย่างนี้ก็คือว่า ไม่ถื อ, อความสะดสบายเป็นพระเจ้ายอมยอมเหนือ่อยยอมยากบ้างยอมเสียเวลามัาง่งยอมคอยบ้างแล้วก็พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ยจะช่วยได้เยอะช่วยเราด้วยช่วยบ้านเราด้วยช่วยโลกด้วยสำคัญคือว่าอย่าไปรีบอย่าไปร้อนมากเกินไปเพราะความรีบร้อนเนี่ยมันคือทําให้สิ้นเปลืองพลังงานมากก็เดี๋ยวนี้ก็ดีนะเพราะว่าน้ํามันแพงเนี่ยแตมาถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ช่วยโลกได้เหมือนกันเพราะาน้ํามันแพงก็ทําให้คนเริ่มที่จะ ใช้เลี้ยวใช้แรงของตัวเองมากขึ้นที่จะเลี่ยวไปช้อปปิ้งที่ไหนก็เลยเพ่าลงจะไปเที่ยวที่ไหนก็เพลาลงเพราะว่าน้ำมันแพงที่ภูหลงเนี่ยมีวัดมีรถคันหนึ่งมันเก่าแล้วนะก็ใช้มา1ิ3สาปีเพื่อนนักเรียนร่วมโรงเรียนขอตมาก็บอกว่าให้หาซื้อคันใหม่แล้วคันเก่าที่มีทํำยังไงก็มีวัดที่หนองคายเขาก็อยากจะได้แต่พอน้ำมันแพงเขาบอกเ้าไม่เอาแล้วลดนะ ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันช่วยช่วยประหยัดพลังงานเพราะตอนนี้เนี่ยพวกเราจะไปบนมากนะน้ำมันแพงให้เราถือว่ามันก็ดีช่วยทําให้เราเริ่มรู้จักพึ่งพาขาของตัวเองหรือว่าประหยัดให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามก็ต้องทําใจไว้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราแม้เราจะพยายามใช้ชีวิตให้เรียบง่ายมากขึ้นพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วรวมทั้ง รู้จักลดละ ก, การใช้หรือว่าการทิ้งขยะถุงพลาสติกโลกมันก็คงจะไม่ได้หมดปัญหาไปง่ายๆปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันคงจะไม่กลับคืนสู่สภาพปกติภายในเร็ววันเพราะว่าสมมุติว่าวันนี้เราไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยในบรรยากาศสมมุติว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนี่เป็นศูนย์นะ มันก็ยังร้อนอยู่นะเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่บนชั้นบรรยากาศตอนนี้ที่มันสะสมกันมาเป็นร้อยส0งปีเนี่ยมันยังก่อปัญหาอยู่กว่ามันจะเจอจางหายไปเนี่ยต้องใช้เวลาย 20, ี่ส0บสปีสมมุติว่าก๊าซคารนไดออกไซด์ที่ส่งไปเมื่อวานเนี่ยไปอยู่บนชั้นบรรยากาศแล้วเมื่อวานเนี่ยอีก25ปีแนละ้วมันถึงจะหายไปหรือมันส่งลดผลกระทบลงเพราะฉะนั้นเนี่ย โรคร้อนก็ยังเป็นปัญหาอยู่เราก็ต้องทำใจไว้ด้วยว่าจะต้องรับมือจะต้องเจอกับปัญหาความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศน้ำท่วมฝนแรงโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเพิ่มมากขึ้นโรคมาลาเรียอหิวาตกโรค ก, ก็อาจจะมาถี่ขึ้นรวมทั้งโรคใหม่ๆด้วยถึงตอนนี้แหละที่เราต้องฝึกเตรียมใจรับมือกับมัน จะบนจะโวยวายจะเป็นทุกข์กำมันเนี่ยก็อาจจ ะ, ะเสียเวลาเปล่าๆต้องรู้จักทำใจด้วยต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับอากาศที่มันร้อนพูดง่ายคือว่าโลกร้อนเนี่ยก็ให้มันร้อนไปนะเราก็แก้ไขเราก็ปรับปรุงกันไปแต่ขนาดยังไม่หายเนี่ยเราก็ต้องฝึกใจไม่ให้ร้อนตามไปด้วยถ้ามีคนหนึ่งเขาเล่าเขาเล่าให้ฟัง วันนั้นก็เป็นวันที่เขาลาางงานก็มามานอนพักนั่งพักอยู่ที่บ้านแต่วันนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากร้อนจนต้องต้องเปิดแอร์อยู่ยในบ้านไม่อยากไปไหนเลยประมาณตอนบ่ายเนี่ยได้ยินเสียงกดออดเขาก็ออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบุรุษไปสนีเรียกให้เขามารับเอกสารแล้วต้องเซ็นด้วยเขาก็งุนงงขึ้นมาทันทีเลยว่า อาการ้อนอย่างนี้เนี่ยไม่อยากออกไปเลยนะอยู่ในห้องแอร์สบายแล้วออกไปทําไมเ้าก็เลยไม่ออกก็ปล่อยให้บุรุษไปสนีกรกดออยนั่นแหละแต่บุรุษไปสนิจนี่ก็มีความเพียนนะก็กดออย ก, ก็คอยแต่เขาไม่ได้คอยเปล่าเขาก็ร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเพลงก็ดังดังข้ามาอยู่ในห้องสุดท้ายเจ้าของบ้านก็เลยต้องออกไปรับออกไปรับก็ ก็บนนะโหอากาศมันร้อนเหลือเกินแต่เขาสังเกตว่าบุรุษปเสนนี่ตัวเหงือกซกเลยแ ต, แต่หน้าตายิ้มแยม้มพอเขารับเอกสารฉันก็เลยถามว่าวเนี่ยอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยมีกระจายร้องเพลงอเหรอบุรุษปเสนก็ตอบว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันร้อนครับแต่ว่าใจไม่ไม่จําเป็นต้องร้อนตามก็ได้นะผมร้องเพลงเนี่ยทาให้ใจผมเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นใจไม่ทุกเนี่ยคนเรา ถ้าเราปล่อยให้ใจร้อนไปตามโลกเนี่ยเราทุกข์นะเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้แม้ว่าโลกมันจะร้อนแค่ไหนก็ตามโรคร้อนแต่ใจเย็ยนนี่ทําได้ถ้าเราไม่เผลอไปหงุดหงิดหรือปล่อยให้ความหงุดหงิดครอบงาจิตใจทุกวันนี้เนี่ยเราปล่อยให้จิตใจขงเราเนี่ยเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมมากอากาศดีก็ปล่อยใจเคลิ้มแต่พออากาศไม่ดีก็เป็นทุกข์ และถ้าเราปล่อยใจไปตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าเวลานี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันร้อนไปหมดไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวอุณภูมิทางการเมืองก็ร้อนบรรยากาศรอบตัวก็ร้อนนะผู้คนในที่ทำงานก็ร้อนถ้าเราไม่รู้จักดูแลจิตใจของเราเราก็จะต้องร้อนไปตามสิ่งแวดล้อมและชีวเราจะไม่มีความสุข โรคร้อนแต่ใจเย็นนี่ทําได้หรือแม้แต่เวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยแต่ใจเนี่ยไม่ป่วยเนี่ยทำได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสนะกับอุบาสกคนหนึ่งนะคุณปิดตาว่าแม้กายกระสับกระส่ายนะแต่ก็อย่าให้จิตกระสับกระส่ายด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากแลนะพวกเรานะซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยนะ ถ้าเรารู้จักภาวนาก็คือการมาดูดูใจของเราบ้างเราก็จะสามารถช่วยรักษาใจไม่ให้ร้อนได้ทุกวันนี้เนี่ยเราเอาใจไปรับรู้สิ่งภายนอกมากเกินไปนะตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไปรับสิ่งภายนอกอยู่แล้วและการไปรับสิ่งภายนอกเนี่ยถ้าใจก็ส่งออกนอกด้วยมันก็จะเอาความทุกข์กลับมาทับถมไว้ในจิตใจของตัวเองเยอะเพราะว่าเวลาเราส่งจิตออกนอกเนี่ย นะมันก็มักจะไปเพ่งเล็งกับไอ้ที่เป็นตัวปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาเรามักจะเก็บเรามักจะจําเรามักจะจดจอ่อตัวเราเป็นพิเศษจะเห็นข้อบอกพร่องของคนอื่นได้ง่ายเห็นความดีของเขาได้ยากเวลาใครชมเรานี่เราไม่ค่อยจําแต่เวลาใครด่าเราจําได้แม่นเวลาใครให้เงินเราให้ของเราเราจำมันไม่ค่อยได้แต่เวลาใครโกงเราจําได้แม่นนะถ้าจิตที่ส่งออกนอกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเต็มไปได้วยความทุกข์ นก็จะเห็นแต่ปัญหาอ่านข่าวก็เจอแต่ปัญหาไปทำงานก็เจอแต่ปัญหาแต่ถ้าเราหาันจิตเข้ามาดูใจบ้างหันจิตเข้ามาดูใจเวลาใจมันกระเพื่อมเวลาใจมันหงุดงิดก็รู้รู้แล้วก็ไอความหงุดงิดมันก็บรเทาเบาๆมันก็ดับเพราะว่าจิตที่รู้เนี่ยนะมันเป็นจิตที่เป็นกุศลมันมันก็แสงสว่างที่สาดส่องเข้าไปความมืดก็หายไปเอง หรือว่าถ้าเกิดว่ายังดูจิตได้ยังไม่คล่องไม่เข้าอย่างน้อยก็รู้จักปรับจิตปรับใจอย่างบุรุษไปสนีคนที่ว่าเขาก็รู้ว่าจิตเขารุมร้อนไปตามบรรยากาศภายนอกแต่เขาก็มีสติพอที่จะปรับจิตปรับใจให้เย็นด้วยการร้องเพลงด้วยการร้องเพลงก็ทาให้ใจเขาเย็นใจก็าสบายจริงเวลาเราเจอความทุกเนี่ยเพียงแค่เรารู้จักยิ้มเพียงแค่เรายิ้ม ไอ้รอยยิ้มบนใบหน้าเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ใจเราเนี่ยดีขึ้นขึ้นมาอีกหน่อยมันดีกว่าบึง้งลองสังเกตดูเวลาเราเจอความทุกเวลาจะเจอเรื่องอะไรก็าตามเนี่ยหน้าเราจะบึ้งไปโดยปริยายโดยไม่รู้ตัวแต่พอเรารู้ตัวเรายิ้มแล้วก็สังเกตดูลมหายใจลมหายใจเราตื่นหายใจถี่อลองปรับลมหายใจดูหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ลมหายใจนี่อย่าไปมองข้ามนะอัตมาเรียกว่าเป็นลมพิเศษเพราะว่าสามารถที่จะเอาความหนักอกหนักใจออกไปจากจิตใจของเราได้เวลาเราหายใจเข้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจหายใจออกก็มีสติรู้ลมหายใจออกทําอย่างนี้สัก10ครั้งหรือจะนับไปด้วยก็ได้เวลาเราหายใจเนี่ยเรามักจะหายใจเปล่าๆคือเพียงแค่เอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกก็หายใจทิ้งเปล่าๆ ลมหายใจนี่มันไม่เพียงแต่จะเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นแต่ยังสามารถเอาความสงบเย็นไปเลี้ยงจิตใ จ, จได้แต่ว่าเรามองข้ามเราไม่รู้จักใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์เต็มที่มันก็เลยเป็นประโยชน์แต่กายแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจแต่ถ้าเรารู้จักเออใช้ลมหายใจใเป็นประโยชน์เวลางุดอิดเวลากโกรธเวลาโมโหหายใจเข้าลื้อหายใจออกยาวๆส10ครั้ง20ครั้งนะความทุกข์ความหม่นมองก็จะบรรเทาเบาบางไป สิ่งที่ในใจแม้มันจะชั่งตวงวัดไม่ได้แต่มันหนักนบางทีหนักกว่าหินแบกหินยังไม่เท่ากับแบกความทุกข์ไว้ในใจความหนักอกหนักใจนี่มันทำลายจิตใจยิจ่งกว่าไปทำงานออกแรงซะอีกที่เราต้องรู้จักทำใจของเราเนี่ยให้สงบเย็นโดยการที่มีสติประคองใจหรือว่าให้มีสติรู้ทันความคิดนึกต่างาเวลาทาอะไรก็ตามแม้จะไม่ได้อยู่วัดให้ก็ให้มีสติรู้ ในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นใหม่ๆก็ให้รู้ทันความคิดก่อนให้ความรู้สึกนี่ย่างตามไม่ค่อยทันหรอกโดยเพราะตัวอารมณ์เนี่ยมันมาแล้วมันคลองใจไม่ค่อยรู้หรอกแต่อย่างน้อยให้รู้ทันความคิดนึกต่อไปเมื่อรู้ทันความคิดนึกความรู้สึกมันเกิดขึ้นก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นต่อไปเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็จะเห็นมันรู้มันแต่ก่อนเวลาเกิดเวทนาขึ้นที่กาย เวลาปวดกายใจก็ปวดด้วยเวลากายเป็นไข้ใจก็เป็นไข้ด้วยนะแต่ต่อไปพอมีสติมันก็เห็นแต่กายที่เป็นไข้แต่ใจก็ไม่เป็นไข้เวลาเห็นกายปวดใจมันก็ไม่ปวดด้วยเวลาทำงานกายมันเหนื่อยกายมันเมื่อยใจก็ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยด้วยไม่มีเราเป็นผู้เหนื่อยผู้เมื่อยมันแค่เห็นหรือเวลา เกิดความกลัวขึ้นมาในใจแต่ก่อนไม่มีสติรู้ทันมันก็กลายเป็นผู้โกรธเวลามีความท้อแท้มีความเกลียดไม่เห็นมันมันก็กลายเป็นผู้เกลียดผู้ท้อแท้แล้วก็เลยเป็นทุกข์เลยคราวนี้เรานั่นแหละเป็นทุกข์แต่พอเรามีสติเห็นมันโอเห็นมันอยู่พอเราเห็นมันเนี่ยใจเราก็จะกระเถิบห่างจากสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นพอเราเห็นความโกรธแต่ก่อนไม่เห็นใจเขาก็ไปกลมกลียดความโกรธไหลเข้าไปในความโกรธกลายเป็นผู้โกรธ แต่พอใจเราเห็นมันใจก็ค่อยกระเถอห่างจากความโกรธเห็นความโกรธเป็นอันหนึง่งนใจก็อันหนึง่งนะอันนี้เพราะสติเมือนกัเป็นกรรมการคอยแยกให้ความโกรธกับใจนี่มันออกห่างจากกันออกห่างจากกันออกห่างจากกันเหมือนกับไฟนะถ้าไปอยู่ใกล้ไฟก็ร้อนแต่พอเราก็เถอไออกห่างจากไฟกองไฟก็ค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงความร้อนก็ค่อยคลายไปคลายไปคลายไปและยิ่งเราไม่ไปเติมไฟเข้าให้กับมัน ไม่เติมเชื้อเติมฟื้นให้กับมัน mm hmm. กองไฟมันกม็มีแต่จะดับลงไปใน mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยในภาวะที่โรคร้อนเนี่ยการที่เรามาช่วยกันรักษาป่าปลูกป่า น, นี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่า น, นุมโมทนาแล้วก็ให้ช่วยขยายสํานึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กว้างขวางออกไปให้บ้านของเราเป็นบ้านที่ทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยลงเป็นบ้านที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติมากขึ้น ปลูกต้นไม้ที่บ้านให้มากขึ้นช่วยกันลดขยะช่วยกันลดพลาสติกช่วยกันลดการใช้พลังงานการใช้ไฟการใช้น้ำมันมันดีต่อเราดีต่อโลกด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็อย่าลืมจิตใจของเราให้รู้จักนะทำใจให้เป็นปกติอยู่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยโลกลอนจะไม่ใช่ปัญหารถติดจะไม่ใช่ปัญหานักการเมืองที่ไม่ได้เรื่องจะไม่ใช่เป็นปัญหาสาหรับเรา อาจจะเป็นปัญหาสำหรประเทศแต่ไม่ใช่ก่อความคุนเคืองใจแก่เราเพราะเรารู้จักปล่อยรู้จักวางปล่อยวางในที่นี้หมายถึงปล่อยวางที่ใจนะแต่ว่าเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องรับผิดชอบต้องทํากันต่อไปนะปล่อยวางไม่ได้หมายถึงว่างอมืองอเท้าปล่อยวางคือว่าเราต้องรับผิดชอบป่าเราก็ต้องดูแลแต่เราดูแลด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางคือว่าไม่ได้ยึดมาเป็นป่าของเราเราถึงดูแล ถึงไม่ใช่ป่าของเราเราก็ดูแลได้ดูแลด้วยความสานึกเราผิดชอบหรือจะดูแลด้วยความสานึกในกระตันอยู่รู้คุณก็ได้โลกของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ช่วยกันดูแลด้วยใจที่ปล่อยวางคือไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราถึงเป็นของคนอื่นเราก็ช่วยกันดูแลได้จะเป็นป่าประเทศไหนถ้าเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยดูแลช่วยเอื้อเฟือกไปแล้วใารจะกันใจก็ไม่ทุกข์ด้วย ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทําไปมันยังเห็นผลช้าก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยเนี่ยผลมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วคือเราได้ทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เราก็ได้ฝึกสิ่งเหล่านี้นอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละอาศัยภาลัความรับผิดชอบเหล่านี้แหละเป็นเครื่องฝึกให้รู้จักเสียสละให้รู้จักลดละความทีดติดถือมั่นความเป็นแก่ตัวสิ่งต่างๆนี้เป็นเครื่องฝึกใจเราให้เป็นเครื่องฝึกการลดละ ความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้หรือว่าการเสสระซึ่งความเห็นแก่ตัวถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้บรรลุถึงปณิธานของชาวพุทธปณิธานชาวพุทธนี่ก็อาจารย์พุทธทาท่านก็สรุปอย่างง่ายๆว่าก็คือให้เข้าถึงชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์การมาปลูกป่าคือการมาทําตัวที่เป็นประโยชน์แต่เราปลูกป่าไปเราก็ต้องรู้จักสงบเย็นด้วยถึงแม้ว่าอย่างวันนี้เนี่ยเราไปปลูกป่ากลางวันแดดจะร้อน แต่ว่ามันร้อนที่กายใจเราเย็นใจเราสงบนะใจเราเป็นบุญไม่ใช่ปลูกไปก็กลด่าผ้าทิศไปว่าทําไมมามาสว่างเอาตอนเราปลูกไอตอนที่ไม่ปลูกนี่แห ม, มเมฆคลึ้มนะอันนี้ไม่มีประโยชน์ใจของเราเนี่ยคือตัวการก่อทุกข์ในบรรดาความทุกข์ของคนเราเนี่ยร0อยเนี่ยเจ็ดน ม, มาจากใจนะใจที่วางว่าไม่เป็นนะใจที่ไม่มีสตินะใจที่ ไม่เห็นไม่รู้เท่าทันความเป็นหญิงของธรรมชาติใช้ความทุกทางกายเป็นแค่ 30% เท่านั้นแหละอันนี้ผู้รวมทุกคนที่เจ็บป่วยคนเจ็บป่วยเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยทุกกายก็สามสิบ์ทุกใจล่อเข้าไป 70% แล้วมันทุกใจเพราะมันหงุดหงิดมันกระว น, กระ ว, นกระวายกังวลคิดถึงงานคิดถึงการคิดถึงนี่คิดถึงค่าใช้จ่ายหรือว่าเกิดวิตกกังวลว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งจะทําอย่างไร หรือว่าไปยึดเอาความเจ็บปวดเอาทุกขเวทนาของกายมาเป็นของใจมีพยาบาลคนนึงเขาไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้านเขาก็จะถามว่าให้คะแนนความเจ็บปวดอย่างไรคือเดี๋ยวนี้มันมีคะแนนความเจ็บปวดเขาว่าเป็นสเกล1นึ 10. ถ้าไม่ปวดเลยก็ศูนย์ถ้าปวดมากก็สิบแต่ปวดมากขนาด10นิดเรียว่าเป็นมะเร็งเ่ยเรียกว่าปวดมากก็ไปถามคนไข้ที่บ้านว่าให้คะแนนความปวดเท่าไหร่คนไข้บอก10 พยาบาลก็ตกใจ10ได้ยังไงเพราะถ้าปวด10เนี่ยแสดงว่ามันต้องไปนอนพังาบพงาบที่โรงพยาบาลแล้วมามาพูดมาคุยไม่ได้สักไปสักมาก็บอกกายมันปวด3ใจมันปวด7เรียกว่าเป็นสูตรได้เลยคนส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แหละกายปวด 30% กายทุก 30% ที่เหลือ 70% ก็คือป่วยใจเดินกลางแดดก็เหมือนกันเวลาเดินกลางแดดเนี่ยแดดร้อนๆเนี่ยที่ร้อนจริงๆอ่ะ ร้อนกาย 30% รร้อนใจ 70% แต่ถ้ามีสติทำให้ใจเย็นได้เนี่ยความทุกข์ก็เหลือแค่3ามสอต่อมาพูดได้เพราะว่าชวนคนเดินธรรมญาตาทุกปีทุกปีกลางแดดเนี่ยพอบอกเตือนใจเขาว่าเนี่ยเหนื่อยกายอย่าไปเหนื่อยใจร้อนกายอย่าไปร้อนใจพอฝึกให้ใจนี่เย็นได้เนี่ยมันก็เดินได้นานขึ้นแล้วก็ยิ้มได้มากขึ้น